ไปจะมาก็ขอเวลาบางมีทันตั้งตัวกลัวใจรับไม่ไหวฉันเองก็รู้สักวันเธอต้องไปจะขอเธอมีไม่มีสิทธิ์ ไม่ทิ้จะยือดือรั้นไม่ต้องห่วงที่เขามาทวงก็เจ็บปวดนักหนาเป็นแค่ที่สองจั้ทำตลอดมาไม่อยากให้เขาตราหน้าว่าแย่ใคร รับเป็นรองจู่อของทานียมีแต่ชํากับช้ำตลอดไปา้ากไม่รีบตัดไยกอมนี้แต่เสียใจรู้ว่าต้องจากันใจมันหางฝนสลายแหละไปในทิพย์นาเมื่ขึ้นมาก้อช้าใจไป ใีฉันทำใจยังไม่ได้งเฝเวลาคิ้ฉันสุดทีคนนี้ ต้องปวดที่เขาาดทงก็เจ็บวดหนักหนาเป็นแค่ที่สงเจ็ดชันตลอดมาไม่อยากให้เขาตรา น, น้ว่าเย็นใจและเป็นรองทีกของที่มี มีแต่ช้ำกับช้ำตลอดไปภาพไม่รีบตัดไฟก็มีแต่เสียใจรู้ว่ต้องจากฉันใจลังหายฝนสลายและไฟใหญ่ที่มันคข้ามาเพื่อท้ใจเธอไปไปเจอ เ, เธอต้อมีทางค่อยไปจะได้บันวันนี้ฉันทำใจยังไม่ได้